นิวิมุต เ, เมื่อพูดถึงวิมุตก็มีห้าอย่างโดยทั่วไปก็กล่าวถึงวิมุตห้าอย่างสามอย่างก็มีนะครับสามก็มีห้าก็มีที่มีสามก็หยุดอยู่แค่ตัวที่สามอย่างที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้นะครับถ้าห้าก็เพิ่มขึ้นอีกก็สี่ข้อห้าวิมุตข้อที่หนึ่งก็คือตทงัทงคตทังควิมุต บางแห่งก็ขึ้นวิคคมพระนาวิมุตติก่อนวิตาทางเขาวิมุตต์แปล ว, ว่าหลุดพ้นด้วยองค์นั้นๆคือหมายความว่าเอาคุณธรรมมาถ่ายถอนหรือมาเอาชนะกิเลสเช่นว่าเอาเมตตามาชนะความโกรธแปล ว, ว่าละความโกรธได้ด้วยเมตตาหรือว่าละความเบียดเบียนได้ด้วยความการุณาอย่างนี้ก็หลุดพ้นไปชั่วกล่าว แต่ว่ามันเกิดขึ้นอีกความโกรธเกิดขึ้นอีกความคิดเบียเียนเกิดขึ้นได้อีกก็เป็นแบบความหลุดพ้นของพุทุชนเนี่ยนะครับพุทุชนเราก็อยู่ได้ด้วยทำอันเนี้ยถือว่าหลุดพ้นกันเป็นเก่า ว, าวพ้นจากกิเลสกันเป็นกล่า ว, าวไม่ได้เด็ดขาดบางคร่าวก็เอาธรรมะมาที่ภาษาชาวบ้าน ก, ก็เอาธรรมะมากรม ทำมันข่มเอาไว้โกรธสุดขีดแล้วก็นึกถึงข่มเอาไว้ก่อนแล้วก็เอาเมตตาความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจการให้อภัยเหล่านี้มามันช่วยมาช่วยเอาไว้ความโกรธก็ค่อยๆดับไปค่อยๆหลังงับไปถึงเราจะไม่เอาอะไรมาดับมันก็ดับไปเองนะครับเพราะว่ามันเป็นสังขารธรรมเป็นสังขารมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไป อันนี้ก็เป็นวิมุติของปุถุชนครับปุถุชนเราก็อยู่ได้กันไม่เป็นบ้ากันไปไม่เป็นโรค ป, ประสาทกันไปก็โดยวิมุตก่อนเนี่ยเวลานี้ก็ฆ่าตัวตายกันเยอะมีข่าวออกมาทุกวันฆ่าตัวตายกันถ้าเกิดว่าเข้าใจเรื่องนี้ผมคิดว่าก็คงจะบรรเทาได้บ้างเลครับอย่างน้อยก็ชะลอชะลอการคิดที่จะฆ่าตัวตายเอาไว้ก่อนเพราะว่า ให้เกียรติแก่ความเปลี่ยนแปลงในที่สุดมันต้องเปลี่ยนแปลงไปไม่มีอะไรอยู่ยั่งยืนความทุกข์ความสุขอะไรอย่างนี้ผ่านไปผ่านมาในชีวิตผ่านไปผ่านมาชีวิตเราก็ต้องผ่านสุกขผ่านสุขผ่านทุกข์ไปเหมือนต้นไม้ครับท่านทั้งหลายครับเหมือนต้นไม้ต้นไม้นี่มันเติบโตได้มันแข็งแรงได้เพราะมันผ่านหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาว แต่ถ้ามันมีอยู่หน้าเดียวนี่ต้นไม้อยู่ไม่ได้ถ้ามีหน้าฝนหน้าเดียวฝนตกเอาตกเอาไม่มีหยุดรากหน้าหมดฟัามหมดเลยแล้วก็ถ้าเผื่อมีหน้าร้อนอย่างเดียวต้นไม้ก็แห้งตายหมดอยู่ไม่ได้หน้าหนาวก็ก็แห้งเหมือนกันก็ฝนไม่ตกแต่ว่ามันก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ มันบานขาวต้นไม้มันจะผลัดไปมันผลัดไปเพื่อมันสลัดเอาส่วนที่ไม่จําเป็นออกในเวลานั้นมันขาดแคลนขาดแคลนอาหารไม่สามารถจะเลี้ยงลำเลี้ยงเลี้ยงต้นไม้ได้หมดทั้งต้นมันก็ต้องสละส่วนที่จําเป็นต้องสละไปก่อนเช่นว่าต้องเอาลําต้นใบใบไปก่อนาา อ, อาจจะแล้วพอได้อาหารสมบูรณ์ก็ใบใหม่ก็ขึ้นมาเป็นใบอ่อนแล้วก็สวยใหม่ ขึ้นมาใหม่คนเราก็ทำนองนั่นนะกับบางทีมันก็จําเป็นถึงข่าวครับขันข้าวจาเป็นข้าวลำบากนั่นก็ต้องสละอะไรบางอย่างจะเอาไว้ทั้งหมดไม่ได้ใน่ ง, งั้นเรารักษาลาต้นไว้ไม่ได้ตามลักษณะของภาสิตทางพุทธศาสนาที่ว่าสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต เมื่อเห็นแก่ความถูกต้องเห็นแก่ธรรมเห็นแก่ความดีสาระได้ทุกอย่างทั้งทรัพย์ทั้งอวัยวะทั้งชีวิตอย่างนี้นะครับอันนี้ผมพูดถึงแต่าทางคะวิมุตต์แต่ทางคะปะหานแต่าทางคะนิโรธก็ได้ทีนี้ตัวที่สองวิขำพะณะนี่แปลว่าคงไว้คงไว้อ่า อันนี้ความหมายจริงๆคือท่นหมายถึงการข่มกิเลสไว้ได้ด้วยอํานาจความารด้วยกําลังฌานอย่างผู้ที่ได้ฌานนี่กับก็จะข่มกิเลสหลายอย่างไว้ได้ก็มีอาการเหมือนหนึ่งคนไม่มีกิเลสนะครับคนที่ได้ฌานเนี่ยแต่ว่ากิเลสยังมีอยู่แต่ว่ามันไม่ไม่ไม่ออกมา ไม่ออกมาอาลวาดไว้อย่างนั้นจะยังมีอยู่คือเสยสยบอยูส่สงบอยู่ดิท่านเปรียบเหมือนเอาหินมาทับหญ้าหญ้ยายังอยู่ยังไม่ตายแต่ว่ารือหินออกเมื่อไหร่หญ้าก็จะขึ้นมาเหมือนนั้นแล้วก็จะขึ้นสวยกว่าเดิมอีกสวยกว่าเก่าอีกอัน <c oughs> นี้เป็นการ ละกิเลสหรือข่มกิเลสการพ้นจากกิเลสของท่านผู้ที่ได้ฌานเอนฌานนั้นลาภทีบุคคลบางท่านก็มีอาการเหมือนหนึ่งว่าเป็นผู้ไม่มีกิเลสแต่ว่าเพียงแต่ข่มไว้ยังไม่เด็ดขาด <c oughs> ครับ <c oughs> เพราะงั้นในเรื่องราวต่างๆในชาดกบ้างอะไรบ้างจะพบว่าดูสีฉีไพรายได้ฌานได้อะไรแล้วก็พอต่อมาก็จานสุด เพราะว่ามาพบกับอารมณ์ที่ทําให้ฌานเสื่อมแล้ฌานก็เสื่อมแล้วก็กลายเป็นธรรมดากลายเป็นคนธรรมดาอย่างละกิเลสไม่ได้พระบางรูปก็ทํานองนั้นนะครับคือบางทีท่านก็ได้เก่งฌานย่างไม่ละกิเลสยังไม่ได้แต่ว่าชาวบ้านไม่เข้าใจคิดว่าท่านละได้แล้วก็ตั้งให้ท่านเป็นพระอริยะ เลยมีพระอริยะที่ชาวบ้านตั้งเยอะแยะไปหมดเลยเอเราก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นหรือไม่เป็นก็ท่านนั้นแหละรูร้อผู้ที่สูงกว่าท่านจึงจะรู้อันนี้เป็นข้อที่สองนะครับวิมุติข้อที่สามคือสมุทเฉาวิมุตแปลว่าหลุดพ้นโดยเด็ดขาดด้วยการตัดขาดอันนี้เป็นความหลุดพ้นของพระอริยะบุคคลอย่างเช่นพระโสดาบัน พระโสดาบันตัดกิเลสได้สามอย่างหรือกิเลสข้อใดที่ท่านตัดได้แล้วก็เป็นอันตัดขาดกันไปเลยไม่เกิดขึ้นอีกไม่เกิดขึ้นอีกอยังจะเป็นสมุทเฉทาวิมุตติพระโสดาบันละได้สามข้อสามอย่างแล้วก็มีอะไรอีกออไม่สามารถจะนำมาคุยกันในที่นี้ได้ถ้าเอามาพูดกันในทีน่นี้ก็จะต้องยืดออกไปอีกเยอะเลยอย่างพระอริยบุคคลสี่จำพวกเนี่นะครับ จะละกิเลสได้ไม่เท่ากันแต่ว่าท่านละได้ขาดก็สบายไปอย่างเป็นพระโสดาบันนี่ก็สบายไปเจ็ดชาติแปดชาติอะไรนี่โเป็นพระโสดาบันแล้วสบายไปเจ็ดชาติไม่เกิดนัยบายมีมีคติที่ดีตลอดมีแต่สุขคติอย่างเดียวไม่มีทุกคติตลอดเวลาเจ็ดชาติที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่เป็นมนุษย์บางในสวรรค์บาง ไ ม, ไม่เกิดในชาติที่แปดนี่ก็เป็นการตัดกิเลสไปได้เด็ดขาดเป็นข้ อ, ขอที่นี่ประการที่สี่ก็เรียกว่าปฏิปัติสัตว์ที่วิมุตตแปลทำตัวแปลว่าหลุดพ้นด้วยการสงบอันนี้ท่านหมายถึงในขณะหมายถึงในขณะของ อริยมรรคอริยผลก็โทษนะครับอริยผลเพราะว่าสมุทเทวิมุตตินในขณะของอริยมรรคแล้วสมุทเทะสมุทติอริยมรรคไปตัดกิเลสั น, นปฏิปัสสัตธินันในขณะแห่งอริยผลอริยผลปฏิปัสสัตธิแปลตามตัวว่าหลุดพ้นด้วยการสงบระงับแต่ว่าความหมายก็คือในขณะแห่งอริยผล มีอริยมรรคอริยผลใช่ไหมฮะแล้วต่อไปก็เป็นนิพพานซึ่งเป็นวิมุตติข้อที่ห้าเรียกว่านิสรณะวิมุตติแปลตามตัวแปลว่าพ้นด้วยการสลัดออกแต่ <c oughs> ว่าความหมายก็คือนิพพานหมายถึงนิพพานเพราะฉะนั้นสามข้อหลังนี่สมุเทเธทวิมุตติปฏิปัสสติวิมุตติและนิสรณะวิมุตติอันนี้ก็คือมรรค สมุเทเฉทะก็คือขณะแห่งอริยมรติปฏิปัสสตินั่นขณะแห่งอริยผลแล้วก็นิสลนานะนั่นก็คือนิพพาน mm hmm. เกี่ยมให้ดูง่ายๆเหมือนคนป่วยนะฮะกิเลสเหมือนโรคเหมือนคนป่วยทีนี้คนกินยาเข้าไปตัดโรคในขณะที่ยากําลัง acting ทำงานอยู่ที่จะตัดโรคนั่นคือสมุทเทะแล้วก็เมื่อโรคระ ง, งับไปก็เป็นปฏิปัสสติเกิดผลแล้วได้ผล โรคกล็ ง, งับไปเสร็จแล้วก็สบายไปตลอดโรคไม่เกิดขึ้นอีกนั่นก็คือ น, นิพพานหรือว่าขณะที่เรากินข้าวเราหิวความหิวเปรียบเหมือนโรกเราก็กินอาหารเข้าไปกินอาหารเข้าไปในขณะที่กินอาหารอยู่นั่นแหะคืออริยมรรคทำงานกำลังทำงานอยู่เพื่อจะบาบัดข้าวไปตัดความหิวค่อยๆตัดความหิวทีละน้อยทีละน้อยจนจนอิ่มกินจนอิ่ม พออิ่มแล้วก็ความหิวก็สกงบสงับนั่นคือปฏิปัสสัตติแล้วก็สบายไปสบายไปนั่นคือนิพพานนิสานะ่ะคือนิพพานแต่ว่าเรานี่มันหิวอีกพออิ่มแล้วหิวอีกถ้าอิ่มแล้วไม่หิวอีกตลอดไปมันก็สบายไปตลอดอันนี้ของท่านนี่ท่านกิเลสตัวใดที่ท่านปัดขาดแล้วมันก็ขาดไปเลยไม่เกิดขึ้นอีกแต่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราความหิวมันเกิดขึ้นอีก อยู่บ่อยๆกินบ่อยๆบางคนก็ต้องกินบ่อยๆหลายครั้งแต่ว่ากินน้อยๆกินบ่อยๆเ <c oughs> นี่ยนะครับอันนี้เรื่องของวิมุตข์ทีนี้ผู้หลุดพ้นอหลุดพ้นนี่คือใช้คําว่าวิมุตมือนกันแต่วิมุตโตวิมุตโตถ้าเวลาเขียนท่านต้องเขียนเป็นอวิมุตโอเต่ า, ตาสองตัวแล้วกาลันแค่ตัวหนึ่งเป็นวิมุตวิมุต วิตาเต่าสองตัวการันตแค่ตัวหนึ่งอันนี้หมายถึงผู้หลุดพ้นนี่วิมุตตินั่นคือความหลุดพ้น ว, วิมุตวิมุตตะวิมุตโตนั่นคือผู้หลุดพ้น <c oughs> ท่านแบ่งเป็นสามจำพวกด้วยกันพวกที่หนึ่งเรียกว่าเจโตวิมุตเจโตวิมุตแปลว่าหลุดพ้นด้วยกําลังใจตามตัวแปลว่าหลุดพ้นด้วยกำลังใจ เที่ยวความหมายก็คือหลุดพ้นด้วยกําลังสมาธิอ่าตรงนี้ก็อย่างที่พูดแล้วที่กี้คือได้ฌานได้ฌานแล้วก็ระ ง, งับกิเลสหลุดพ้นจากกิเลสได้โชคล่คาวตลอดเวลาที่ฌานยังยังยังอยู่ยังอยู่ยังเป็นฌานนัลาพีอยู่ก็ได้เป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้น <c oughs> ด้วยอํานาจของสมาธิ อำนาจของชาตินี่ก็ข้อที่สองก็คือปัญญาวิมุตตผู้ที่เป็นปัญญาวิมุตตหลุดพ้นด้วยอำนาจของปัญญานี่คือท่านที่เดินเดินตามสายของวิปัสสนาคือเจริญวิปัสสนาล้วนแต่ถึงจ ะ, จะเจริญวิปัสสนานะครับถึงอย่างนั้นก็สมาธิมันก็เกิดขึ้นเหมือนกันสมาธิก็เกิดขึ้นเรียก ว, วิปัสสนาสมาธิ แต่ว่าวิปัสนาสมาธิไม่ได้แปลว่าวิปัสนาและสมาธินะครับแปลว่าสมาธิที่ได้จากการเจริญวิปัสนาผู้ดําเนินทางสายนี้ก็เรียกว่าสมาปัญญวิปัสนาญาณมีวิปัสนาเป็นญาณแล้วก็ถ้าหลุดพ้นจากกิเลสตัดกิเลสได้ก็เป็นปัญญาวิมุตต์แต่ที่นี้ท่านเหล่านี้ไม่ได้ฌาน แล้วก็ไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชไม่ได้อภิน ญ, ญาก็เรียกว่าพระสุขวิปัสสโกนะครับสุขวิปัสสโกสุขวิปัสสกเป็นพระอริยะประเภทสุขวิปัสสกแต่ว่าแต่ว่าสุสขแห้งๆก็ได้คือว่าไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชไม่มีอะไรแต่ว่าหมดหมดกิเลสเหมือนกัน กรณีพวกที่สามเรียกว่าอุพัโตภาภวิมุตต์แปลว่าหลุดพ้นทั้งสองโดยส่วนทั้งสองคือว่าท่านได้ฌานได้ได้ฌานมา ก, ก่อนได้สมาธิได้ฌานมา ก, ก่อนแล้วต่อมาก็มาเจริญวิปัสสนาจนหลุดพ้นจากกิเลสแปลว่าท่านได้ทั้งสองคือได้ทั้งฌานได้ทั้งปัญญาหลุดพ้นจากกิเลสด้วยอำนาจของปัญญา อันนี้เรียกว่าอุพัโตภาคะวิมุตนะครับตามตัวแปลว่าหลุดพ้นโดยส่วนทั้งสองคือทั้งเจโตทั้งปัญญาอันนี้มีรายละเอียดในพระไตรปิฎกหลายแห่งนะครับเผมไม่ไม่ได้เอามาอ้างในที่นี้เพราะว่าดูแล้วก็ยากเกินไปสําหรับที่จะพูดทางวิทยุเออยากเกินไปตามแนวพระพุทธพจน์นะครับมีรายแห่งผมได้บันทึกเป็นหนังสือเอาไว้ในบางเล่ม ไม่ไ ม, ไม่ไม่สามารถจะนำมากล่าวในที่นี้ได้ทีนี้ก็ผมพูดถึงวิวิมุตตายตนะนิดหนึ่งนะครับเท่าที่เวลา ย, ยังเลืออยู่วิมุตตายตนะแปลว่าปอกเกิดของวิมุตบอกเกิดของวิมุตอันนี้ท่านก็กล่าวเอาไว้ห้าอย่างเหมือนกันนะดูในวิมุตตายตนะสูจะพบอันนี้นะครับพบวิมุตตายตนะ ประการที่หนึ่งนะครับฟังกับผู้ที่ฟังธรรมฟังธรรมสนใจในธรรมตั้งใจฟังก็หลุดพ้นได้นะครับจะเป็นเป็นพระอรหันต์ได้เพียงแต่ฟังอย่างเดียวด้วยการฟังแปลว่าหลุดพ้นได้ด้วยการฟังแล้วก็อีกพวกหนึ่งก็ไม่ไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นแต่เพียงว่าคิดใจจองใคร้ครวนใคร้ครวนธรรม บางท่านก็คิดคล้ายครวญแล้วก็ได้ปีติปราโมทได้ความแตกฉานครบธรรมะออกครบธรรมะแตกแล้วก็ได้บัรลุกก็มีบางท่านพวกที่สามแสดงธรรมแสดงไปแสดงไปได้ปีติปราโมทจากการแสดงธรรมเพราะรู้สึกว่าเรื่องนี้เราก็มีเรื่องนี้เราก็มีเรื่องนี้เราก็มี ก็เกิดปีติปราโมดขึ้นก็บรรลุทำในขณะที่แสดงธรรมอันนี้พระนาคเษน ก, ก็รูปหนึ่งนะฮะพระนาค เ, นเาสนไม่ก็บรรษดงธรรมให้้อุบาสิกาฟังอุบาสิกาก็ได้บรรลุท่านก็ได้บรรลุด้วยต้องมีผู้แสดงธรรมอันนี้เป็นเรื่องประหลาดนะครับเวลาแสดงธรรมนิจัยมันเป็นสมาธิประปกติแล้วก็ถ้าเบิดได้พูดถึงคุณสมบัติที่ผู้แสดงมีบำเพ็ญอยู่ จะทำอยู่พยายามอยู่ไ น, นี่ปิติประโมทจะเกิดขึ้นมาอันนี้ครเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงให้ของมีกำลังใจในการที่จะทำงานแสดงธรรมต่อไปอันนี้พวกที่พวกที่สามนะครับพวกที่สี่สัทธยายาทัม <c oughs> สัทธายทาทัมกรรมสัทธายนี้ก็คือสวดร้องท่องบทเนี่ยนะครับท่านสวดอิทธิปิโสปะกวาสํารวมใจให้ดีนะ สัรวมใจให้ดีเวลาไม่สบายใจเวลาอะไรนี่สวดมนต์สว ด, ด, สวดจําอะไรได้เท่าไหร่สวดให้หมดเลยเอามาสวดให้หมดเลยสักประมาณสักสิบนาทียี่สิบนาทีบันทีหัวเราออกเลยลก็ขณะที่ว่ามีความทุกข์ไม่สบายใจไม่รู้จะแก้ปัญหานี้ยังไงไม่รู้จะทำํำยังไงจำสวดมนต์ได้เท่าไหร่ว่าหมดสวดหมดเลยเอามาสวดหมดหรือจําได้น้อยสวดกลับไปกลับมาอยู่นั่นแหละเอก็ ก็ได้บรรลุธรรมได้เหมือนกันทยายาทแล้วก็ประการที่ห้านะครับก็คือเจริญสมถาวิปัสสนาสมถาวิปัสสนาซึ่งคนทำกันอยู่ว่าเพื่อบรรลุธรรมก็เจริญสมถาวิปัสสนาต้องทำไปด้วยกันนะครับไม่ใช่ทำสมถะอย่างเดียวต้องทำไปด้วยกันทำสมถะบ้างทำวิปัสสนาบ้างสลับกันไปถ้าทำสมถะอย่างเดียวหมดกิเลสไม่ได้ เพียงแต่ระงับไว้ได้เท่านั้นนี่เป็นวิมุตตายตนะบ่อเกิดของวิมุตต่5าอย่างมีอยู่ในพระสูตรนะครับ เ, เพราะฉะนั้นก็ลองนึกดูให้ดีว่าคนสามารถจะบรรลุธรรมได้ด้วยวิธีต่างๆท่านผู้ฟังที่กาบรบกับ เ, เวลาผมยังเหลืออีกหนึ่งนาทีก็พูดถึงวิมุตติยานัทสนะคือความรู้เห็นในความหลุดพ้น ก็คือว่าเมื่อได้หลุดพ้นแล้วก็มียานมีทัศนะมียานทัศนะคือมีความรู้ความเห็นในเรื่องความหลุดพ้นมีในพระสูตรบางสูตรที่กล่าวถึงว่ า, าบางท่านหมดกิเลสแต่ไม่รู้ว่าหมดกิเลสอันนี้เรียกว่าไม่มียานทัศนะเพนั้นต้องมีเมื่อหมดแล้วต้องมียานทัศนะด้วยเหมือนกับคนที่หายโรคต้องรู้ว่าตัวหายโรคแล้ว จะได้ไม่กินยาเลิกกินยาจะถี่ม่นกินยาหายโรคแล้วแต่ยังกินยาต่อไปมันทำให้เป็นโรคต่อไปอีกองั้นเพราะนั้นก็เมื่อหมดกิเลสแล้วก็ต้องมียานัศสนะว่าเราหมดกิเลสแล้วเราหลุดพ้นแล้วต้องรู้ด้วยไม่ใช่หลุดอย่างไม่รู้ก็ขอจบเรื่องกระถาวัตถุเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็รวมกันสองกระถาคือ วิมุตติกถากับวิมุตติยานะทัศนกถาก็ขอจบเพียงเท่านีา้รู้สึกว่าใช้เวลานานหลายเดือนเหมือนกันนะครับป่าจะจบคาถาวัตถุสิทท่านผู้ฟังที่เคารพกับ เ, เวลาของผมสาหรับวันนี้กเ็เพียงเท่านี้นะครับอขอความสุขสวัสดีขอความเจเริญรุ่งเรืองในธรรมและในสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาระสบ ผลที่ดีในสิ่งที่ปรารถนาทุปกประการสวัสดีครับก็ในกรรมสิบสองนี้ท่านก็แบ่งเป็นชุดชุดละสี่ชุดละสีะกะ่กัตตากรรมนี้อยู่ในชุดที่สองอยู่ในชุดที่สองคือชุดของการุกรรมอคือกรรมที่จะตามแรงหนักเบาซึ่งมีอยู่สี่ หนึ่งคารุกรรมแปล ว, ว่ากรรมหนักไฟดีก็หมายถึงฌานวิปัสสนามักผลไฟชั่วหมายถึงอนันตเรียกรรมห้าคือฆ่ามันดาฆ่าปีดาฆ่าพระอารหาันต์ทำพระพุทธเจ้าให้ห้อพระโลหิตแล้วก็ทำสองผู้สามัคคีกันให้แตกกันนี่เรียกว่าคารุกรรม ประการที่สองเรียกว่าอาจินกรรมหรือพระหุลกรรมแปลว่ากรรมที่ทำจนเคยชินหรือกรรมที่ทำมากทาสม่าเสมอกรรมนี้จะให้ผลยั่งยืนมากนะครับประการที่สามก็อาสันนกรรมแปลว่ากรรมที่บุคคลทำเมื่อจวนจะสิ้นชีวิตจะทำด้วยกายหรือทำด้วยใจ ก็แล้วแต่นะครับหรือทำด้วยวาจาก็ก็แล้วแต่แต่ว่า <c oughs> ทำเมื่อจวนจะสิ้นชีวิตมีอนุภาพให้บุคคลผู้นั้นไปสุขคติหรือทุกคติได้ถ้าเขาหน่วงเอาอารมณ์หน่วงเอากรรมนั่นเป็นอารมณ์เมื่อจวนจะตาย แล้วก็ประการที่สี่กัตตตากรรมย่ังตามที่ผมได้ข่าวแล้วนะครับ <c oughs> ทีนี้ไหนๆก็พูดแล้วก็เลยพูดให้หมดทั้งสามชุดซะเลยนะครับเดี๋ยวก็จะพูดรายละเอียดนิดหนึ่งกรรมจัดตามหน้าที่ก็มีสี่เหมือนกันอันที่หนึ่งเรียกว่าชนะ ก, กรรมแปลว่ากรรมที่ก่อให้เกิด หรือส่งให้เกิดในกรรมเหนิอต่างๆท่านเปรียบเหมือนมารดาของทารกชนกกรรมนี้เป็นผลของอาจินนกรรมบ้างเป็นผลของอาสนกรรมบ้างก็สุดแล้วแต่ว่าอันไหนจะเป็นผู้ส่งผ ล, ละะและการที่สองอุปธรรมพกกรรมหรือกรรมอุปธรรมเป็นเหมือนพี่เลี้ยงนางนมมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดี ประการที่สามอุปกิจอุปปีและ ก, ะกรรมกรรมบีบคั้นมีหน้าที่บีบคั้นกรรมดีหรือชั่วให้เป่าลงประการที่สี่อุปคาทะ ก, ะกรรมหรืออุปเฉ ท, ทะ ก, ะกรรมเพราะแปลว่ากรรมที่ตัดรอนมีหน้าที่ตัดรอนกรรมทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบาปหรือว่าฝ่ายกุศลและฝ่ายอกุศล อ, อันนี้เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับ ที่มีอีกชุดหนึ่งเรียกว่ากรรมจัดตามการที่ให้ผลก็มีสี่เหมือนกันประการที่หนึ่งคือทัตตธรรมทิตตะธรรมเวทนียกรรมเรอกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันประการที่สองอุปัชชเวทนิยกรรมกรรมที่ให้ผลในชาติต่อไปถัดจากชาติปัจจุบันกรรมที่สามอัปปราประเวทนิยกรรมกรรมที่ให้ผลหลังจาก อุปัตร์วเวทนิยกรรมคือให้ผลเรื่อยไปสอบโอกาสเมื่อใดก็ให้ผลเมื่อ น, นั้นประการที่สี่อาโหสิกกรรมกรรมที่ไม่ให้ผล เ, เลิกแล้วต่อกันทีนี้ผมจะพูดถึงรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อต้องการจะให้ท่านได้เข้าใจละเอียดขึ้น มีรายละเอียดนิดหน่อยเพียงแต่เพื่อจะได้ยกตัวอย่างให้เห็นชัดนะครับเช่นว่าเมื่อกรรมนำไปปฏิสนธิในภพใหม่หรือว่าคนที่ทำกรรมดีไว้ก็จะไปเกิดในภพที่ดีคนที่ทำกรรมชั่วไว้มากก็ไปเกิดในภพที่ชั่วกรรมที่ส่งผลให้เกิดนี้เรียกว่าชนกกรรมชน ก, กะก็แปลว่าชนกแปลว่าให้เกิดสมมติว่า ชนกะ ก, กรรมไยดีทรงเขาให้ไปเกิดในตระกูลที่ดีนะครับมั่งคั่งด้วยทรัพย์สินสมบัติและบริวารมีตระกูลสูงเกิด <c oughs> เขาเกิดเช่นนั้นแล้วก็ไม่ประมาทมั่นหาทรัพย์เพิ่มเติมรักษาทรัพย์เก่าให้มั่นคงมีความเคารพนบนอบต่อผู้ที่ควรเคารพถนอมน้ำใจบริวารด้วยการสงเคราะห์อเอื้เฟือพูดจาไพเราะ ทำประโยชน์ให้แล้วก็วางตนเหมาะสมการกระทาเช่นนั้นเป็นอุปถัมภกกรรมช่วยส่งเสริมผลของกรรมดีเก่ารวมกับกรรมดีใหม่ทำให้เขามั่งคั่งมากขึ้นมีบริวารดีมากขึ้นมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นครวนี้ก็ตรงกันข้ามนะครับถ้าเขาได้ฐานะเช่นนั้นแล้วเพราะกุศลกรรมในอดีตส่งผลให้ แต่ว่าเขามัวเมาประมาทผานทรัพย์สินด้วยอบายมุกนานาประการมีเจ็ดคั้นทำการงานและการครบมิตรเลวเป็นต้นนี่นะครับกรรมของเขานั่นก็จะมีสภาพเป็นอุปภีละ ก, ะกรรมแต่ว่าบีบขั้นเขาให้ต่ําต้อยลงจนสิ้นเนื้อประดาดตัวบริวารก็หมดสิ้ น, นถ้าเขาทํากรรมชั่วมากขึ้นกรรมนั่นก็จะกลายเป็นอุปคาต ก, กรรม ัรผลแห่งกรรมดีเก่าให้สิ้นไปกลายเป็นคนล่มจมกลายเป็นคนล่มจมสิ้นความรุ่งเรืองในชีวิตก <c oughs> รนีอีกด้านหนึ่งนะครับสมมติว่าบุคคลผู้หนึ่งเกิดมาลำบาก <c oughs> <c oughs> <c oughs> เกิดมาลำบากยากจนเป็นนักหนาแต่ว่าบุคคลผู้นั้น ถึงอย่างไรก็ตามเขาก็พยายามที่จะทำความไม่ดีต่อไปว่าขณะที่ลำบากยากจนขัดสนทรัพย์สมบัติและบริวารแล้วรูปร่างผิวพรรณก็ไม่งามเพราะอคุศนลกรรมในชาติก่อนล้อมตัวเป็นชนกกรรมฝ่ายชั่วทีนี้เมื่อเกิดมาเขาก็ยังจะประกอบกรรมชั่วซ้ำเข้าไปอีก กรรมนั่นละครับมีสภาพเป็นอุปธรรมพกกรรมช่วยสนับสนุนกรรมเก่าให้ทวีแรงขึ้นทำให้ฐานะของเขาทุดหนักลงไปกว่าเดิมทีนี้ <c oughs> แต่ถ้าเขาผู้เกิดมาต่าต้อยเช่นนั้นแล้วไม่ประมาทอาศัยความเพียรยายามในทางที่ชอบถือเอาความอุตสาหเป็นแรงหนุนชีวิตรู้จักครอบมิตรที่ดีกรรมของเขาก็จะมีสภาพเป็นอุป ป, ปีลกกรรม บีบขั้นผลของอกุศลของอกุศลกรรมที่มีมาก่อนนั้นให้เปลากำลังลงเขายังมีความเพียรในทางที่ชอบมากขึ้ น, นขนไควในทางบุญกุศลมากขึ้นกรรมของเขาก็แปลสภาพเป็นอุปคาตกรรมหรืออุปเทกกรรมตัดรอนผลแห่งอกุศลกรรมเก่าให้ขาดสูญจนในที่สุดเขาก็จะเป็นคนที่ตั้งตนได้ดีมีหลักฐานมั่นคง ที่กล่าวมานี้นะครับคือกรรมที่จัดตามหน้าที่หรือกล่าวิีัยยนหนึ่งว่าหน้าที่ของกรรมซึ่งมีลักษณะหน้าที่ให้เกิดอุปธรรมบีบคั้นแล้วก็ตัดรอด